การทำัดส่วนมุนเป็นเป็นสมถะแบบหนึง่งสมถะแปลว่าเครื่องผูกใจให้จิตเราติดอยู่กับอะไรสักอย่างเวลาไปเดินจงกรมเนี่ยจะมีความรู้สึกบางทีก็มีเสียงส่วนมุนท์ดังขึ้นมาเหมือนเราทำอะไรสักอย่างที่ให้มันเกิดความเคยชินทีนี้จิตนีนก็ต้องการเอาอะไรมาอา มาฉาบมาทามันไว้ขณะที่ยังไม่มีวิปัสสนาการท่องบ่นสาธยายช่วยช่วยให้เกิดความจำไม่ใช่ไม่ดีนะดีช่วยให้เกิดการจดการจำจำพุทธวจนะจาคำสอนความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าเรื่องนี้หมายก็ว่าอย่างนี้อเนี้ย อย่าเราสวดพุทธธรรมสังฆะพุทธาพิทูติงธรรมาสังฆาสวดบทพิเศษเนี่ยบทพิเศษคืออืพุทธภาษิต ท, ที่พระพุธาท่านตรัสเอาไว้ในที่ต่างๆอย่างที่เคยพูดไปนะไม่ได้หมายความว่าอันนั้นที่ต้องเป็นพุทธพจน์อันนี้จะต้องเป็นไหม่ ข้อความดีๆนี้ออกจากปากใครก็ได้โดยเน้นมาที่จิตของเราเองถ้าจิตเราดีนะเราจะมองอกดูคนที่สื่อนำสุภาษิต ท, ทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมะไปหมดไม่ว่าจะ่ประสงค์คนจะพูดนะบางที่มาเหายัางเป็นธรรมะเลยคือถ้าใจมันเป็นธรรมันจะเป็นธรรมนะ เนี่ยผ้าห่มให้หมามันยังขอบคุณเนี่ยพยายามพูดขอบคุณแต่ถามว่ามองแบบหนึ่งคือมันก็ไม่หไหวมันจะชอบนะมันร้อนมันเนาแต่ใจดีไงพอใจดีมันก็จะดีอ่ะถ้าใจไม่ดีก็หงุดหงิดอีกละหาว่าประชดไปชันคือจิตมันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันน่ะพุทธพจน์นี่เราไปเห็นที่ไหนก็ตามหรือไม่เห็นปฏิกิริยาของธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้น ว่าสามารถสอนใจเราได้ทั้งนั้นนะพวกเซนเขาถึงพูดว่าธรรมบางอย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้พูดก็จริงนะแต่ท่านฝากไว้กับเทวดาฝากไว้กับเทวดาพร้วทำคำสอนบางอย่างที่เราปฏิบัติอยู่ๆก็เกิดเห็นแจ้งปรากฏขึ้นในจิตโดยที่ ม, มันไม่มีในตำราไม่มีในคำพีสาหรับตำราหรือว่าไปถามว้ ถ้าไม่เห็นมีในตำหนักพมพีตำรับตำราแล้วพวกนั้นเขาก็ให้อยู่เหนือสัญญาด้วยเหนือความจดความจำอย่าเขาไปอยู่ในจิตอย่าเขาไปอยู่ในความคิดอย่าเข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วมันจะรู้ธรรมะได้ยังไงไม่จดไม่จำไม่เลี้ยวสื่อนึกคิดอเไรเขาบอกไม่อยากธรรมะบางอย่างชี้ถึงซะ เดี๋ยท่านจะได้รู้จากธรรมะประเภทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านฝากเอาไว้กับเทวดาเทวดาคืออยู่ๆมันก็ผุดออกมาจากใจเราเนาะมันรู้ซึ้งกั้นมาเองมันปรากฏเกิดขึ้นได้ของมันเองโดยธรรมชาติคือในใจเราเพียงแต่เราเปิดออกนั่นเองเปิดใจอยู่กับปัจจุบันตั้งมันอยู่กับปัจจุบันในนี้เรามาฟุ้งฟักความรู้ตัวก็คือทําให้จิตมันเกิดสติเกิดสมาธินั่นเอง แค่จิตเกิดสติมากๆเป็นสมาธิเองมากกว่านั้นก็ไปเป็นปัญญาอืถ้าคิดเยอะๆรู้สึกยิ่เฉยบางครั้งกลายเป็นความคิดเยอะจากความคิดเยอะกลาเป็นความยึดติดยึดติดเป็นความผูกพันเป็นอุปทานเป็นอวิชชาติดยึดแน่นอยู่ในใจมันก็ถอดออกจากใจไม่ได้นะติดยึดอยู่ในจิตเ้าเนี่ยมันก็กลายเป็นกิเลสตันหาไปซะ อันนี้ก็เหมือนกันนะจำเฉยๆเนี่ยต้องจำให้รู้สึกว่าเออมันจําได้จําได้ดีๆไม่ดีเรารู้สึกว่าจําได้ทดําใดที่เป็นไปเพื่อโลกุตระและชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือธรรมของผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานความรู้ความตื่นความเบิกบานในวัดเอาตรงนั้นแหละตรงที่มันชี้ไปทางโลกุตระธรรม โลกุตรธรรมก็คือมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสีนิพพานหนึ่งนี่คือทางไปถึงปฏิบัติไปให้ถึงขั้นนี้แล้วปฏิบัติอีกเขอยากไปอีกทีละนิดตีละน้อยสุดท้ายเข้าถึงสัจธรรมโดยถาวรไม่มีความเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าผล น, นิพพานนะทีนี้ก่อนมันจะถึงอันนั้นก็ต้องมีกัานได้ยินได้ฟังเยอะอ คือคนปฏิวัติธรรมเนี่ยหลายหลายคนนะในพุทธศาสนานี่พระพุทธองค์ท่านทรงยกย่องว่าเป็นปฏิสัมพิธาพึงพร้อมเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสี่คือมีทัตตามีมีสุต า, ท, ต า, า, า, าทัตตาวิสานุเปิกิตาทิฏฐิสุ ป, ปฏิวิทยาอิทาสุ ป, ปฏิวิทยา หมายถึงสุตตามันทำฟังเยอะเป็นผู้ได้ฟังเยอะนี่แปลกเนาะผนคิดว่าเอ๊ะฟังเยอะแล้วมันจะฟุ้งซ่านนะมันคิดน่นคิดนี่หลายเรื่องอันนั้นกร็รู้อันนี้ก็เป็นในวะ่าเนี่ยมันคิดเยอะฟังเยอะเนี่ยแต่พุทธศาสนาท่านจะเน้นนะว่าฟังเยอะฟังเยอะนี่นช่วยเป็นตัวกันกรองอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่เคยฟังธรรมะแบบวัดเรา ก็จะฟังเรื่องอื่นเรื่องฐานเรื่องศีลเรื่องอะไรแต่ที่เขาเคยทํามาหรือไม่ภาวนาก็ฟังไปที่ทางอื่นนะเขาจะบอกเออทกฟังเยอะๆลงเลยเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเมื่อได้ยินได้ฟังไม่ต้อเกิดการกลั่นกรองเกิดรู้อะไรถูกอะไรไม่ถูกโอ้ฟังที่นั่นพูดเป็นอย่างนีนะฟังที่นี่ไปนี่คือถ้าฟังที่เดียวอย่างเดียวเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ อพอจะเข้าใจรูปนามแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการยึดติดคือสัตธามันเยอะไงสัตตมเยอะเข้าเยอะเข้ากลายเป็นละที่โมกไปซะงมงายไปก็มีงั้นการศึกษาการได้ยินในฝังเยอะๆเนี่ยมันช่วยช่วยในการประคองจิตเรารู้หรือว่าเป็นการสแกนหรืว่าอะไรใช่ไม่ใช่อะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงไม่จริงอะไรเท็จไม่เท็จควรไม่ควรพวกเนี่ย มเมื่อจะเกิดความเข้าใจสบายว่าทำอันนี้ขึ้นมางนั้นฟังมากนะแต่เวลาฟังแล้วเนี่เขาจะมตีตัวต่อมานตะ่เขาไม่ได้ฟังมากอย่างเดียวนะฟังเมื่อเลยต้องจําได้มากนะถ้าจําได้เยอะๆมันจําได้ไห ม, มนะบางคนจำไม่ได้เลยอฟังเฉยๆลืมหมดแล้วนะสวดไปเมื่อกี้นี่มีบทอะไรบ้าง นึกได้ไหมสักอันไหมมีเก็บขึ้นมาบ้างไหมไม่มีอ่ะบางทีมันจำไม่ค่อยได้ลืมไม่หมดแล้วฟังกับฟังบางทีก็สะดุ้งสะลือแต่ถ้ากระทบใจบ้างสักอันส อ, อเหมือนใจเราเลยเนาะสังเกตหลายๆคนเวลาเขามาปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ามันมีศรัทธาที่จะฟังที่อยากฟังอ่ะพอฟังก็เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก บางที่พูดเรื่องอื่นแต่รู้สึกว่าเ อ, อเหมือนพูดให้คนนี้นะอเรื่องที่เขาอยากฟังปรากฏว่าคือเขาฟังได้รู้ได้เวลามาฟังแล้วไอ้สิ่งที่สงสัยหายไปเพราะจิตมันเปิดไงพราะมันเปิดมันเหมือนพูดอะไรทั้งไหนก็ตามมันจะรู้สึกว่าเข้าใจเข้าใจแล้วจําได้ไอ้ความจําได้เนี่ยเหมือนนําไปใช้ได้คําว่าจําได้ก็คือ ม่ยังไม่ถึงกับเป็นสมาธิมาฟังรู้เข้าใจจําได้จําได้มันก็เริ่มซึมเข้ามาแล้วจำยังไม่ไปถึงจิตมันเป็นสัญญาเป็นตัวใดตัวหนึ่งอยู่คือปกติมันต้องเป็นรูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันเป็นอันเดียวนะทีนี้เวลาเรามีความรู้สึกเช่นนั้นเนี่ย มันพร้อมที่จะรับอะไรขั้นต่อไปฮพวกกันได้ยินได้ฟังหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีส่วนหนึ่งคือเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ไปเจอบุคคลที่เขากล่าวทำบ้างทำนี่เนี่ยจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดมาผิดถูกหรือเขาพูดมาผิดมันถูกนะแต่มันก็ต้องเป็นตัวต่อไปไม่ใช่ฟังเฉยๆเรื่ศา ส, สนาเนี่ย ฟังจําได้แล้วก็ท่องได้คล่องท่องได้ขึ้นใจสังเกตดูบางคนพารถวัดรมว่าเนี่ยเสียงเสียงเพาะนะเสียงมันเพาะนึกถึงเสียงคนนั้นไหมล่เขาพูดมันรู้สึกเหมือนเพาะนะฟังมันเหมือนเครื่องยนต์นั่นแหละแต่เครื่องยนต์บางอย่างเนี่ยรถยนต์ตัวถังมันไม่ค่อยดีอะ แต่ตัวมันดีตัวเครื่องอะมันดีเหมือนกันปฏิบัติธรรมคล้ายๆแบบนั้นบางคนดีทั้งเครื่องทั้งตัวถังปฏิบัติดีด้วยคนสื่อความหมายข้อกิริยามารยาทเรียบร้อยดีงามมันก็น่าศึกษาหนะ้าปฏิบัตินะตธรรมด้วยนะแต่บางทีธรรมะดีดีแต่อาจารยหรือข้อวัดปฏิบัติ ควพูดในต่างของผู้สื่อนํำทำรร ม, มาเนี่ยมันไม่ดีอ่ะพอไม่ดีก็เหมือนมันไม่สวยไม่งามตัวอะไรเสียงนี่เป็นส่วนหนึ่งนะในการสื่อธรรมะโอ้เสียงดีเนาะคนนี้พูดเพราะเนาะจนกว่า จ, จะไปสู่บทตอบไปนั่นะ่ะคือเพราะไม่เพราะก็ตามนั่นแต่มันเป็นสัจจะประมาเนี้แต่คนจะไปรับรู้ได้อย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็ปฏิเสธในเวลาเรากินอาหารเนี่ย เลิกินยาเนยเพราะว่าแพ้กเกิตมันสวยงามอืมันน่าซื้อมันเพิ่มราคาได้ด้วยเหมือนกันธรรมะก็เหมือนกันมีปฏิปทามีกิริยามีอาจฉระิะมีอะไรเนี่ยดูแล้วสวยงามเรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนั้นปัญญามันเกิดง่ายปัญญาคือความเข้าใจปัญญาคือความปล่อยวางมันปล่อยวางได้ดีไหมก็น่าจะดีอ่ะ เห็นได้รู้ได้ปล่อยวางได้ต้องจะล่องขึ้นใจแล้วเนี่ยแม่นนี่ก็คือต้องเป็นคนที่สามารถคบคิดด้วยทิฏฐนะิคือมันต้องแจ้งที่ใจมะ น, นัสานุเปกขีตาเนี่ยแปลว่ามันต้องแจ้งจากใจรู้แจ้งด้วยใจนะ ตั้งแต่ท่องจำได้มานะตามลำดั บ, ดบสิ่งที่รู้มาได้ยินได้ฟังมา น, นำมาสู่ภาวะเนี่ยคือสามารถอย่างเชเราจำได้สักข้อหนึ่งคำหนึ่งเป็นการบ้านเนี่ยถ้าเรไปเดินจงกลมเดินไปเดินมาสุดท้ายมันทะลุไปได้ทะลุไอความสงสัยหรือความที่ฟังไว้ในใจเราเนี่ยมันสามารถหลุดไปได้ที เขาว่าหลุ ด, ดี่บางทีหลุดสงสัยนีย่คือมันหลุดออกจากความสงสัยอันนี้่หลุดออกจากจิตนะบางทีบางคนอเออไปรู้สึงเรื่องนั้นเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านาะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเนี่ยสงสัยนะบางทีสงสัยมันก็ติดอยู่ในใจอะ่ะเวลาเดินจูงกลมเดินไปเดินมาเ ด, นเดินมาเดินไปเดินมาเกิดปัญญาขึ้นมา แต่ปัญญาเขาหมายว่าป oh, so ัญญาทำลายความสงสัยไอ้นี้ยในใจหายไปกลายเป็นจิตที่มันว่างขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายว่าจะไปได้ความรู้แบบพระพุทธเจ้านะอืไม่ได้ไปส่งไม่ได้เกิดมาเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าเป็นอาการของจิตที่มันสามารถทำลายความสงสัยได้โอ้พระพุทธเจ้าท่านทำแบบนี้นี่เองเนาะไอ้ความทุกข์ทุกคนมาทางนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างเนี้ยท่านคงเปหนีท่านจึงมีทุกข์แบบนั้น คือมันเข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตเราเองมีความจำแจ้งของว่าขวดังนั้นเวลาปฏิบัติทำเนี่ยจเจริญสติอาศัยกันสังเกตดูความหมายเนื้อหาอะไรต่างก็ทำนำไปสู่การขบคิดข้างในขบคิดให้มันแตกทิฏฐิสุปติวิญญาเนี่ยคือขบคิด ขบธรรมะนนี้ให้แถเอ้ามันสงสัยเรื่องเดินจุกมันอะไรพิจารณาไปและลึกรู้ไดลึกรู้ดูไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ย เ, ยเยขาบ่าขบคิดที่หมายว่าขบคือเอามาใส่ปากแล้วขบขบไปอย่างนั้นเนี่ยอย่าให้มันหลุดออกไปเมื่อกันความลังเลสงสัยอะไรก็ถามนํามาสู่จิตนะแล้วจิตประคองไว้เอามาสงสัยตอนนี้เอาสงสัยขบด้วยสติเอาสติขบหนีบมันไว้ แล้ระลึกรู้ไปเรื่อยๆเลยๆเดูไปเรื่อยๆสักพักเดี๋ยวมันก็ถ้าพลังของเราดีก็จะกลายเป็นรู้จักอานิจังรู้จากอนัตตาขึ้นมาทันทีคือมันก็จะหายไปจากตัวที่จิตมันหนีบอยู่เนี่ยตัวระลึกรู้เนี่ยนี่สงสัยเดี๋ยวนี้ไปเดินจุกมเดินไปเดินไปเดี๋ยวมันก็ละลายะเมื่อเราคาบก้อนเราแข็งนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ละลายอันนี้ก็เหมือนกันนะมันอยู่กับเราสักพักเดี๋ยวมันก็หายไป ถ้าปัญญานี้มันเกิดมันจะเป็นแบบนั้นเนาะเกิดเขา้าเข้าใจขึ้นมาแล้วโอ้ไป็นนี้นี่เองเนาะนี่อย่างพระพุทธเจ้าเลยถือว่าเป็นบุคคลบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วทำประโยชน์ให้กับคนนะบุคคลที่เกิดแล้วยังประโยชน์ให้กับโลกไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าอิทธาตธาคะโตโลเกรหรือปโนเนี่ยเกิดมาแล้วทำประโยชน์ให้กับคน นอกนั้นก็กลับมาเป็นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายพระปณิจิกนะไม่ได้เกี่ยวกับบุทุชนคนทั่วไปนะอาชีพรนาอาชีพนีพน้มันไม่ได้ทำให้กูคนพ้นทุกข์ที่จิตนะอันนี้มันต้องเป็นเรื่องของการพ้นทุกข์ที่จิตเพระพุทธเจ้าเกิดมาเอาท่านช่วยคนขวายให้คนเป็นพระริยบุคคลเนระดับต่างๆ เขาบ่กเป็นนี่ก็หมายถึงเข้าถึงสภาวะธรรมนั่นแหละทีจริงๆธรรมะ ม, มันเป็นของปลอมนะที่ปิดกั้นเราไว้แต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนะี่ยเป็นของปลอมในความรู้สึกนึกคิดความรักความชังพอใจไม่พอใจง่วงเหงาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นของปลอมดงั้นเราก็ไม่ทะลุสักทีปฏิบัติทำมาถึงตอนนี้ก็ไม่ทะลุปฏิบัติถึงตอนนี้ก็ไม่ทะลุมันมันมันไม่ทะลุธรรมะอัเนี้ย แต่ปฏิบัติธรรมนี้เราจะทําให้มันทะลุนะทะลุอารมณ์ถ้าทะลุได้ก็เรียกว่าบรรลุนะถ้าทะลุได้เรียกว่าบรรลุวันวันหนึ่งมันทะลุได้ไหมยัยเรามาจากบ้านเนี่ยความง่วงเอาความง่วงดีจังนาะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ทะลุนะบางนีหนาหนาขนาดว่าเดินไปชนก็หงายหลังก็มีเนะี่ยเดินไปก็ไม่ถูกทางเสียใจเสียกว่ามันหนามันเหมือนมีตัวตนอยู่ข้างหน้านะเอาไปมันจะทะลุตาข่า ย, ายออกนอก กุติก็มีต้องเอามือคลำทางซ้ายทางขวาบางดีมันหนานะผ่านมันไม่ผ่านนี่มันไม่ทะลุเราก็ปฏิบัติทำพยายามให้มันทะลุแต่บางคนไม่ทะลุก็คัดแง่ไปอยู่นั่นแหละเขี่ยไปแง่มางัดไปงัดมาเอาไปเอามาเดี๋ยวเขาจะเจอเจอเจอใจที่มันโล่งๆสน้วุกจนดันแรงๆทีนี้ดันแดงๆมันไปบางจะพลวออกแพลใจที่มันว่างๆโล่งๆอยู่ตรงไหนเนี่ยอตามไปตรงนั้นแหละ เมื่อเาขูดน้ําไปเจอมันชุ่มชุ่มบางแล้วเนี่ยขูดลงไปอีกตรงนั้น่ะพอขุดไปสักพักเดี๋ยวมันทะลุออกไปได้น้ําสว่างพุ่งแตกขึ้นมาเลยอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้อันนั้นก็เข้าใจ น, นี่ก็แจ่มแจ้งขึ้นมานลเวลามันเป็นนั่นเขเรียกว่าคําสอนที่รู้ได้ด้วยตัวเองเป็นปัจจจตังมันจะรู้ใครแทนใครได้เนาะอนัตตาเนี่ยใครมารููแทนเราได้มันไม่ได้ ความคิดตัวนี้อึดอัดแน่นอยู่ในใจจังนะ่ะเออทําไงนาะจะออกได้ปลุกออกจากความคิดอืแต่นี้ไปปลูกพาปลูกเนรมาเนี่ยไปปลุกออกจากความม่วงอะเนี่ยอันนี้ไปปลูกออกจากความม่วงให้ออกจากความม่วงไอ้ที่จะปลูกออกจากความคิดเนี่ยเป็นอีกอหนึ่งก็คือใช่ธรรมะของพระศาสดานี่แหละพูดมาคุยให้ฟังว่าเดินมาทางนี้นะถ้าจะออกเลยทาอย่างเงี้ยแล้มันจะออกได้มันอยู่ไม่ไกลเนี่ย มันออกได้เลามันออกได้จริงเหรอแล้วก็ฝืนไปฝืนไปฝืนไปมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนาะทําอยู่บ่อยๆมันจะดีขึ้นคนใดก็ตามแล้วเหมือนมีดเหมือนจอบเหมือนเสียมเนี่ยทําเป็นของสนิมนะสนิมมันเยอะเอาไปเผาเหล็กทีแรกเขาตีช่างเหล็กตีเนี่ยสนิมกระจายเลยเหมือนมันจะพังไปโอ้ยตาย ด่ากูแล้วเนี่ยเจ็บปวดทุกตัวทรมานเลยหมด น, นะดูดิเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของท่านอันนั้นนะเป็นสนิมที่มันหลุดลงมาในกองอยู่กับพื้นสนิมเต็มหมดเอาเผาอีกสิสิสสเผากลางวันก็เผาแล้วเดินจุกกรมตอนเย็นมันก็ตีใหม่พอปลุกแต่ก็กระจายเลยเยอะนะทีนี้ความจริงพอเข้าใจมันโอ้จริงจิงไม่ใช่ตัวเรานะสนิมนะเนี่ ย, ย, ยไอ้ที่มันหลุดออกเนี่ย ตัวตนของเรานะเนี่ยตัวตนที่เราคิดว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆธรรมชาติล้วนๆไม่มีตัวตนอยู่ข้างในโ น, น้นไม่ใช่อัตตานี่มันหลุดไปแล้วอืดีใจเนะ่ะมันเบาขึ้นมาโอ้ที่ผ่านมาเป็นสนิมแล้วนี่สนิมนะ้่ไม่ใช่ตัวจริงนะ่ะเราก็จะเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นอย่างเนี้แล้ว ม, มีความภูมิใจอความภูมิใจเพราะมันได้เห็นเนี่ยเพราะไม่เห็นก็เกิดปีติปีติเพราะได้เห็นของจริง ปีตินี้เกิดเพราะได้เห็นของจริงนะแต่ว่าอย่างปีติเพราะไม่รู้ว่าเป็นสมาธิไม่ใช่เห็นของจริงอันนี้ได้เห็นของจริงมีความเข้าใจจิตมันตื่นขึ้นมาะจะมีศรัทธาต่อพระพุทธองค์เลยราะเป็นร้อยเท่าพันเท่านะศรัทธาในศะรัทธาที่ท่านเข้าถึงศรัทธาที่ปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติทําแล้วบางทีเกิดศรัทธาเกิดมีความ ไม่ได้ได้มาด้วยการปฏิบัตินมันจะไม่ปล่อยวางเราปฏิบัติทำเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาด้วยการปฏิบัติส่วนมากการจะนึกคิดดนเดาการพินิษฐิเคราะห์พิจรารณาหรือทําสมาธิสน้อยพอรู้ตัวบ้างเลยก็มาขบคิดพิจรารณาอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนี้ไม่ใช่อันนั้นใช่คือมันจะติดอารมณ์ติดอารมณ์ว่าอันนี้โธกอันนั้นไม่โธ่อันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่ ก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเขาเรียกว่ามันติดวิปัสนาวิปัสนาอันนั้นดีอันนี้ถูกอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้มันใช่อั น, น, นใจอะไรประมาณเนี้ยคําสอนผูทธเจ้าเอาไปเผาทิ้งอันนี้ประมาณเนี้ยอันนี้เท่านั้นความรู้สึกตัวเท่านั้นจริงจะถูกมันไม่ไจําเป็นอะไรประมาณเนี้ยมันจะเป็นขึ้นมานะนั้นปัจจุบันนี้ก็เกิดปัญหาเรื่องอะไรนะ่ะเรื่องประเด็นพุทธวจะนะขึ้นมาอุดวยัยเพราะเลยเพราะว่ามันเรื่องวิปัสนาวนี่แหละ ไม่ใช่มันไม่ผิดนะไม่ใช่มันถูกนะมันก็ถูกอะ่ะถูกแต่ว่ามันถูกถ้าโดยความขบคิดนึกดนเดาเอาเนี่ยไอตัวทิฏฐิมันนะไอคนไม่ยอมมันจะตามมาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นี่ประมาณน้เนนะเอาแตกเป็นแตกหักเป็นหักอะไรประมาณนั้นนะแยกเป็นแยกอยู่เป็นอยู่เนี่ยยิ่งธรรมะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนะเสียสละบอวัยว่า เพื่อรักษาเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาสัจะธรรมคาว่าสัจะธรรมนี่คือใจว่างใจโล่งสัจะธรรมคือมรรคผลผนิพพานสัจะธรรมไม่ใช่ตัวหนังสือนีนะไม่ใช่ตัวในพระไตรปิฎกหรือพุทธวจะนะปิฎกอะไรอนยะ่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกันนะแต่เป็นสภาวะไ้ข้างในนี้ ที่เราสัมผัสได้เออมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเนาะทําให้เกิดการปล่อยวางนะเกิดความสบายใจนะไปสอบสวนทวนถามกับผู้รู้ทั้งหลายเขาก็ไม่ติเตียนนะคือเห็นชัดเลยว่าเอเห็นทุกแล้วก็เห็นทุกมันดับไปเห็นทุกเกิดขึ้นเห็นทุกมันดับดับมากขึ้นมาเข้ากลายเป็นปกติเอา้ามันปกติแล้วนี่มันไม่มีเกิดมีดับแล้วมันสงบแล้ว ทุกทั้งหลายเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการความสงบจบสิ้นไปแล้วเนี่นะะนั้นมันก็ไม่ตรงมาเป็นอารมณ์นะคือได้ความรู้อะไรแล้วเข้าไปอยู่ในความรู้ได้ความรู้อะไรไปยึดอยู่ในความรู้เนี่ยบางทีเราบอกว่าโอ้จะยึดประทำคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ายึดเขาทำคำสอนอพเพื้าในประเด็นที่ เ, เรารู้สึกนึกคิดเอาเราขบด้วยทิฏฐิด้วยเล้นตาเนี่ยปัญญานั้นยังไม่เกิดปัญญาในวิปัสสนาเนี่ย แต่ถ้าปัญญาวิปัสนาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับอย่างที่ท่านพูดนะดีมากเลยคือเหมือนคนขี่เรือนะพอจะขึ้นฝั่งเนี่ยมันทิ้งเรือไว้แล้วก็ตัวเองก็เดินขึ้นไปไม่แบกเรือขึ้นไปเหมือนกันคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสุตตะคหยะเวทัละกต า, าเนี่ยอิทาภูมุตตะในวันเนี่ยระวังขา้าตตนศาสตร์ทั้งหลายนยคือทั้งหมดหนึ่ง ยกมาสู่จิตเพื่ออะไรเป็นกําลังให้จิตเดินผ่านไปนเป็นฐานเป็นเรือแต่พอเดินผ่านไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรมั่นมีประโยชน์ไหมนี่คาสอนมีเมื่อเราปฏิบัติทำเน่ยบางคนมาพูดเอ้ยนี่ไม่ใช่ของพุทธเจ้าเอ้าไม่ใช่ก็แล้วไปะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้อันนี้ประมาณนี้มันไม่ขัดแย้งในใจโอออันนี้ไม่ถูกไม่ถูกก็ได้ไม่ถูกก็ได้ไม่ได้เป็นเลยคือมันไม่ได้ทําใจที่ไหมต้องไปแบกมัน ไม่รู้จะแบกอะไรทำไมเนี่ยเดี๋ยวนี้พุทธศาสนิกชนเราเนี่ยโอ้เป็นเอามากวันนี้เนี่ยต้นตาโพจิ์เล่นๆนะว่าถ่ายรูปต้นมะยิ้วต้นยิ้วเนี่ยต้นยิ้วยอ้าวต้นยิ้วยเป็นต้นไม้ในวันคดีพุทธศาสนาวันคดีก็คือเรื่องที่เรื่องราวที่แต่งมนุษย์แต่งก็นแล้วมันรู้สึกว่า ด, ดีๆนี่โอ้มีคน ไม่อยากให้ไปแตะต้องมาเออไปเรียกพระไตรปิฎกว่าวันณคดีได้ไงไม่ได้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะแต่ว่าวันนคดีอะไรก็ได้เกี่ยวกับนักปราดในพุทธศาสนาแต่งขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องต้นยิวนั้นเรื่องอยิวเรื่องบาปเรื่องกรรมผิดศีลห้าตกนรกเด้อขึ้นต้นยิวเป็นสุขข้อสามนะนะร้านดอกยิวต้นยิวเนี่ยต่านี้ขึ้นสวรรค์ชั้นห้าชั้นหกนรกตอนนั้นตอนนี้นะ เป็นบาปเป็นกรรมพุทธศาสนาขิดเรื่องต้นยิ้วเอาใครไม่เคยเห็นต้นยิ้วนะเอาต้นย้วให้ดูดิอะไนี้ลูกลามีเจพระเท่านั้นนะโพดเก็มีเจพระติติงมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรปรมานี้โอ้มันยากยากอย่างไงยากที่คนมันไม่อยากให้แต่ต้องพระไตรปิฎก คือเป็นลดเกตมันลงมาว่ามันเป็นวรรณคดีเป็น น, ปนู่นเป็นนี้นี่เขาไม่ไม่ชอบนะนะคืออีกความชอบไม่ชอบเนี่ยวัดจากไหนว่าจากความรู้หรือไม่รู้นะแต่เราปฏิบัติธรรมเนาะเราก็เอา้าอะไรที่มันเป็นประเด็นเน่ยมันแทบจะไม่มีประเด็นเนะ่ะให้พูดถึงแต่ถ้ามันเป็นประเด็นเนโอคนติดสมมุติแล้วเนี่ยวางยนนะเอาให้รู้ ถ้ารู้แล้วมันไม่รู้ตามก็ไม่เป็นไรคือเหมือนสอนคนนี่แหละสอนคนนี้แล้วมันรู้ไหมมันไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็แล้วไป น, นี่คือไม่จําเป็นต้องเราไปจับกรอกปากนะถ้ามันไม่กินยาเขาไม่ต้องพามันกินนะ่ะแต่ธรรมดาแต่ส่วนมากเราเอาเอ า, เอาอยู่นั่นแหละแล้วก็กลายเป็นประเด็นมันยาวอ่ะมันยาวเป็นเรื่องเป็นดาวเป็นซึมตบ คนนี้มันทําอุ้มไม่ไม่ทําไ ม, ไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้ก็อย่ารู้นีคนไหนที่พร้อมจะรู้ก็พร้อมจะรู้ก็รู้อันนี้ประมาณนี้มันก็จะได้เหมือนกับเราสอนอะไรสักอย่างสอนคนบอกคนเนี่ยคนนี้ปฏิบัติตามก็ดีคนนี้ไ ม, ม่ปฏิบัติตามล่ะมันก็ดีของเขาอ่นะดีขเขาจะไปยุ่งจิตเขาเขาไม่รู้อย่างนี้ก็คือแบบนั้น่หละนะอย่าไปพยายามดึงให้เขารู้เป็นประเด็นที่ต้องอู่นวาย อะไรแบบเอาธรรมะให้เถียงกลับมาเอา้าธรรมะเอาเก็บไว้มันไม่กินเนี่ยมันไม่กินก็เก็บไว้อย่าไปปอกลอกเพื่อยัดปากเขาไหมเอาไม่เอาไม่กินก็แล้วไปโดยมันถ้ากินก็ เ, เราต้องสติทั้งมันดีๆมันจะป้อนลูก ป, ป้อนหลานเนี่ยบางทีมันอาเจียนใส่นะพอดีเอาป้อนมันไหมนี่เขาเรียกว่าเมตตามากพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้เมตตาตัวลูกมาก ไปยาบเอาให้มันกินมันกินไม่ได้กับปอนมันอยู่นั่นเนะี่ยมันไม่เห็นด้วยก็ช่างอะไอธิบายไปเรื่อยๆอย่างางี้นะปลอบประโลมประเด็นนั่นประเด็นนี่ยกตัวอย่างโน่นนี่ขึ้นมาเลยวันพวกเซนเขาไม่ค่อยเอาอะ่ะเรื่องแบบเนี้ยนะพวกเซนนี่หมายถึงว่าพวกที่กําลังจะเกิดวิปัสสนาหรือพวกที่เป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยวิปนะัสสนาเนี่ยคือเซนนะพวกที่มีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเขาจะพูดสักคำสองคาเลิกแล้ว ไม่อยากให้มันกระเทือนใจหรือถ้ามันกระเทือนก็กระเทือนถึงที่สุดเลยเอาลองแรกตัวนี้กระเทือนถึงที่สุดต้มทีเดียวนะเอาจะแจ้งก็แจ้งไม่แจ้งก็แล้วไปเลยประมาณโยนปิดสราระโยนอะไรสักอย่างถ้าสมาธิพอนะถ้าสมาธิไม่พอก็อีกละสมาธิไม่พอมันก็ทําลายกิเลสที่ยกให้นั่นไม่ได้ถ้าสมาธิพอนะพูดนี้ไปปุ๊บสมาธิ ก, กระทบปุ๊บสว่างแจ้งขึ้นมาเลย น, นั้นเขาก็ซาตุลิจะดีนะ ปิ้งนะั่ดีแต่จะใช่มาอ้างเหตุอ้างผลเพราะพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วเอาคำพีตำรา ม, มาตีกันโอ้ยเคยได้ยินในฐานเรื่องอะไรอ่ะทาบอดคำช้างนะไปดูดิมันเป็นยังไงนั่นเองนั้นก็อย่าไปคลำ ม, มันนะจะไปหามันจะไปนึกว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดนะกลับมาดูตัวช้างตัวจริงตัวจังนะตัวไหนตัวใจว่าใจเรามันว่างจริงไ่ะ มันว่างจริงไหมถ้ามันไม่ว่างก็อีกและวนั้นช้างที่ได้มาจากตำรับตำรา จ, จริงๆจากคําสอนจับนั่นจับนี่มามันก็ยังเป็นตัวตนอยู่ดีเมื่อไรก็ทําที่เราเห็นว่ามันผิดมันถูกเนี่ยคือยังเป็นตัวตนอยู่ดีตัวตนเป็นอะไรตัวตนว่าในมุมมองที่เรายืนอยู่อ่ะคือตาเรายังไม่เปิดหมดมันตา บ, บอดแล้วจับได้เฉพาะที่มันนะ่ะจับถูกขาก็เป็นขาจับหูก็เป็นหูไม่ใช่เป็นหูนะ จับหูมันเนี่ยเหมือนฟืมมันบึปรบับบึบับมึกกระด้งที่เขาบอกฝัดข้าวโอ้ช้างนี่เหมือนกระด้งเนาะแต่จับถูกขามันคลำไปคลำมาเพราะว่าชีวิตคนตาบ อ, อดยบบอยู่กับเสาบ้านอยู่กับเรือนคลำไปคลำมาไปถูกเสาเฮ้ยช้างนี่เหมือนเสาเรือนจริงๆเนาะเนี่ยมีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเอาอย่จุ ด, จ, ด, จ, ดจุดนั้นตําแหน่งนั้นของเขาคลำไปคลำ ม, มาไปถูกหางมันนอะ ไปถูกหางมันเอ้าไอ้พวกโง่ทั้งหลายมึงพูดไปได้ยังไงอ่ะมันฝาเรือนเหมือนเสาเรือนเหมือนช้างมันต้องเหมือนไม่กวาดที่นี่จับดูงหางเขถูกของเขาเนาะแต่เขาถูกหางมันอ่ะมันต้องเป็นไม่กวาดอีกคนหนึ่งอยู่ข้อด้านหน้าเนาะมันอยู่ด้านหน้าคําไปคํามาคําไปไม่ถูกงามันอู้ยพวกเปรดเอ้ยมันนหาว่าเป็นอย่างนู้นจริงจริงช้างเหมือนหน่อไม้นีเห็นไหม เหมือนเหมืนอนหน่อไม้จริงนะเหมือนกันคนถกเถียงเรื่องธรรมะในพุทธศาสนาะอันนั้นถูกอันนี้ผิดนี่ก็เป็นแบบนี้ยคือมันตาไม่สว่างอ่ะมันไม่สามสารถมองเห็นทั้งตัวพระพุทธเจ้าบอกว่าตทาคตคือคนที่มองเห็นน่ะทั้งหมดแล้วตาสว่างแล้วพวกเธอทั้งหลายถกเถียงกันอยู่ในธรรมะเป็นอย่างโ น, ยนยง้นอย่างนี้วุ่นวายเพราะแล้วเพรา ะ, ะ, ระตามันยังบอดอยู่ไปทําตาให้มันบอดแล้วไม่ต้องคลำอ่ะดูด้วยตาอย่างนี้ แต่นี้มันอยู่อาชีพไหนอ่ะคนอยู่มุมไหนอยู่ด้านไหนซ้ายขวาอยู่ระหว่างขามันเลื่อนอยู่หางมันหรือฝ่ามันฝ่ามันไม่ใช่ซี่โครงมันนะลูกไปผมนะโอ้โหมันเป็นแผ่นใหญ่นะนี่เหมือนฝาเลือนเ น, นื้อช้างเนี่ยเห็นไหมคนอยู่มุมไหนก็จะเป็นแบบนั้นคนอ่านตำราก็ได้ตำรานะได้ตำราธรรมะเหมือนในตำราเนะคนปฏิบัตสิสมถะก็ได้แบบสมถะคนปฏิบัติศาสนาก็ได้แบบนิพพานา คนปฏิบัติในระดับฐานทำบุญทำทานก็ได้พุทธศาสนาแบบทำบุญทำทานนะเนะี่ยมาคนนําถือพุทธศาสนาแบบทรงเจ้าเข้าผีนะนที่ปฏิหารก็ได้แบบนั้นออกมาเนะี่ยแต่ว่าใครอยู่มุมไหนแต่ความเป็นจริงมันไ ม, ไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่นะพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นอีกภาวะหนึ่งภาวะอะไรเอ้า เขาสอนตรงๆวาธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมมันมีกฎของมันคนเข้าถึงกฎอันนี้คือสัจจะละกฎอะไรกฎทุกขังอันนี้จังอันตราเป็นกฎไตรลัะอันนี้จังหรือว่าทุกขังเนี่ยเห็นทุกหรือยังดังนั้นเวลาเราใส่ใจเวลาและลึกรู้หรือทําความรู้ขเข้าใจเนี่ยไม่มีตํารานะภูมิใจเถอะไม่มีตําราก็ภูมิใจเถิดภูมิใจเถิดว่าเราได้เดินตามรอยพระพุทธองค์ อย่างถูกต้องคนที่เอาตํารามาอ้างมาพูดมาคิดไม่แน่นะถ้าไม่ได้เดินด้วยใจเนี่ยเดินด้วยความคิดก็ความคิดพาไปอีกละที่เนี่ยเดินความด้วยความคิดก็เหมือนอะไรนะรถยนต์เอาไปวิ่งในทางรถไฟอย่างเงี้ยมันจะได้เหรอไม่ได้นะหรือเอาเครื่องบินมาวิ่งในทางรถยนต์เนี่ยจะได้เหรอเดี๋ยวรถยนต์ไปวิ่งบนอากาศเนี่ยไม่ได้ คือทางใครทางมันจิตก็เป็นแบบนั้นแหละประคองไว้โดยอาการบปเนี่ยแล้วลึกรู้ไปสังเกตไปเอ้าเห็นทุกข์แล้วเห็นทุกข์ละเห็นทุกข์อย่างเป็นทุกข์ละเราวัดดูตรงที่ว่ามันเห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์หรือวัดตรงที่มันปล่อยวางถ้ามันใดที่เราปล่อยวางได้นั่นแหละคือเราเห็นทุกข์ทุกข์นับได้จากการเห็นการปล่อยวางเรื่องนั้นก็ปล่อวางแล้วเรื่องนี้ก็ปล่อยวางละเนี่ย แจะจะเป็นมักเป็นผลคือวัดตรงที่มันปล่อยวางสังโยชน์นั่นแหละปล่อยอวางอัตตาตัวตนเนี่ยคุณผมท่านอะไรประมาณเนี่ยมันทําให้เกิดอาสวะนะมึงดีเอนะเห็นโยมกุยกันนะ่ะกูกูมึงมึงเนี่ยรุนแรโอ้อันตรายนะเนี่ยมันเหมือนดีอ่ะมันไม่ได้ยึดไม่ได้ถืออะไรแต่เกิดสะสมอาสวะนะเนี่ยนะได้ยินหนึ่งคนที่เลื่อมใสเราก็เขาก็ไม่เลื่อมใส คนที่เรื่อมใส่แล้วก็เกิดศรัทธาเสื่อมสามลงแต่เราคิดว่าเราพูดเราคุยกันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะแต่ลึกๆคือการสะสมนะข้างในสะสมความเป็นตนสะสมความมักง่ายนะสภาพมันจะกลายเป็นอาสวะรำดังนั้นอะไรที่มันดีเอาสิ่งที่มันดีเนี่ยมาปกปิดมันไว้สิ่งที่ไม่ดีนี่เอาเอามันออกไป เอาสิ่งที่ดีมาใส่เหมือนเหมือนกับว่าอะไรอ่ะคนที่ปฏิบัติทำได้แล้วคือทำยังไงก็ได้อะไรเหมือนปล่อยวางได้จริงจริงเนี่ยตัวนั้นแหละจะช่วยช่วยในการรักษาใจนะช่วยในการป้องกันอาสวะธรรมที่จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราทำดีเนี่ยมันจะหดตัวลงมันจะเรียบร้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนผู้พบเห็นเขาก็รู้สึกว่าเราต่างไปเนาะ เราวางได้นะเรานน่นเรานี้น ะ, ะได้เป็นวันนะใช้ภาษาก็เริ่มดีขึ้นนะเหมาะสมเนาะสมกับเขาปฏิบัติทำมานานนะได้ไหมนะหลวงพ่ อ, อนั้นหลวงพี่องค์นี้ได้เป็นวันนะแต่คนกว่าจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นของเป็นอย่างนั้นของเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะมีแต่ว่าเรา ท, ารารร ท, ทํายังไงจริงจะกลายไปสูงทำธรรมะแท้ๆเป็นยังไงอ่ะเออธรรมะเป็นอย่างออนางงี้เนาะสงบเรียบร้อย ว่าจะพูดเพราะสวยงามอะไรประมาณนั้นไม่ปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตให้อยู่ธรรมชาติดีๆอใช้ภาวะสมมุติที่เขามีให้เขารู้สึกว่าเออเพระาะเนาะก็ดูดีนะอะไรประมาณนั้นเขาใช้เป็นนั้นมันก็จะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับชีวิตเราไม่มีประเด็นเกี่ยวกับคําพูดเราไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการคารหานินดาเรากลับมาสมวนมากเราอยู่นึกขยอยไหวเงยกระชังเขาเด้ออะไรประมาณนั้น จริงๆถ้าเราประมาทก็ชื่อว่าเราไม่รักษาตัวเองไม่รักษาตัวเองก็ไม่รักษาผู้อื่นไม่รักษาพื้นก็ไม่ได้รักษาศาสนาเป็นในตัวไม่รักษาศาสนาคือไม่รักษาจิตตัวเราเองนี่แหละกายวาจาจิตเนี้ยคือตัวศาสนาถ้าลึกๆเข้าไปหน่อยก็คือตัวศีลตัวศีลเนี้ยที่มันปรากฏเกิดตัวปกติอยู่ในจิตตัวสมาธิตัวปัญญานี่นี่แหละคือตัวศาสนา นะถ้าเรามีตัวศาสนานี่ยเป็นคองอยู่ในใจเอาไปไหนก็เหมือนเอาศาสนาไปเผยแพร่ว่าคนนี้เรียบร้อยนะคนนี้สงบนะคนนี้สุภาพเนาะอะไรประมาณนั้นนะี่ยคือเราเอาตัวศาสนาในศาสนาธรรมไปเผยแพรนะ่ด้วยเราเป็นทุ่มตําราคนก็จะมองดูโอ้ตําราเล่มนี้น้ํามาน้าอ่านนะตําราเล่มนี้สวยงามเนะาะอะไรประมาณนั้นนะนะเขาอยางหยิบไหมเนะี่ยอยากหยิบนะเขาไม่ได้ดูเนื้อในมาเท่าไหร่หรอกข้างใน อนะแต่เขาจะอยากศึกษาอยา่างเรียนรู้ทันทีดังนั้นสติปัญญาสติสัมปชัญญะอะไรก็ตามที่เรามีอืมวัดตรงที่การปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้แสดงว่าเรารู้จักอริยสัจละอาจจะรู้จักอริยสัจที่มันตื้นๆก็ได้อริยสัจทุก เ, เนี่ยเห็นมันชัดไหมทุกอืมสมุทยัยเห็นชัดไหม นิโรธมักอยู่ในตัวนะทุกสมุทัยนิโรธมารวมแล้วคืออยู่ในทุกถ้าเห็นทุกเราปล่อยวางอปล่อยวางแล้วไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องนั้นแล้วเห็นเรื่องนี้มันก็ปล่อยวางนั่นแหละอริยสัจละอริยสัจละอันนี้ทุกขังละอันนี้จังเปลี่ยนแปลงอนัตตาดับมองมาที่ข้างในนะอย่าไปมองข้างนอกนะเมื่อไหร่มันจะดับสติวัสลาอันนี้มันจะอันนี้จังอันนี้มันยากอันนี้มันต้องใช้ นะตักกะละต้องดูพิจานาทีละเล็กต่น้อยอะไรประมาณนะั้นแต่ในจิตเนี่ยอนัตตามันจะอยู่ตรงนี้เลยนะทุกขังนี่เห็นเลยมันทุกอันนี้จังโอ้เปลี่ยนแปลงอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวทุกตัวสุขตัวอะไรละ้ะกลเป็นความว่าจริงๆต้องกับมาว่างอันนี้บ่อยๆกลับมาว่าง น, นี่บ่อยกลับมาว่างอันนี้บ่อยๆทาให้มไม่ได้ไวัยยิ่งถ้าดําไวเท่าไหร่ได้ไวเท่าไหร่ก็นี้เรามีความชํานาญ กันก็ต้องเก็บมาหลายอย่างนะการได้ยินได้ฟังการศึกษากันจำได้การท่องขึ้นใจกันเข้าใจการขบคิดตีปัญหาพวกนี้แตกหมดละเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นพ่าหูสูตรนะเราก็เป็นได้ไมันเป็นได้นะเป็นได้อจจะเราไม่ได้จำใน ต, นตำราตหรั บ, รบจำในสิ่งที่ พระสงค์เคยอง์เคยเจ้าคูบาจากย์ท่านสอนเนี่ยจําว่าเอออันนี้ความรู้สึกตัวนะอันนี้ความคิดนะนะในสําคัญก็แค่นี้ไอนนความรู้สึกตัวเนี่ยมันรู้ความคิดให้มันงมากรู้กายมากมา่จนไหนจนต้องเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วถอนความยึดมั่นถือมันในกายในจิตที่ออกก็กลายเป็นอานาตตาแต่ถ้าถอนยังไม่ได้หมดมันลุ่มลุ่มโดนก็เป็น อ, อนิจจังนะเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวมันมาเอาได้บ้างไม่ได้บ้าง เฮ้ยมันไม่เที่ยงเนาะธรรมะก็ไม่เที่ยงกิเลสก็ไม่เที่ยงมันว่าอยู่เรื่อยๆจะยิงๆความหมายเดียวถ้าธรรมะมันไม่เที่ยงกิเลสมันจะเที่ยงเพราะว่าร้อนกับหนาวนี่แหละถ้าบรรยากาศมันไม่ให้มันจะร้อนวันที่การไม่มันจะร้อนเป็นธรรมชาติอืมันร้อนนี่ไม่ได้หมายว่าไปทําให้มันเกิดขึ้นนะมันมีอยู่แล้วะมันอยู่ที่ความเย็นมันมีกับโลกนี่ไหมเนี่ยถ้ามีความเย็นเมื่อวานฝนตกเนาะในภูเขาเนี่ย มันจะมีก้อนเมฆขึ้นทําหุบเขาจะลอยขึ้นลอยขึ้ น, อ ย, นอยู่เรื่อยๆก้อนเมฆคือตรงไหนที่มันเย็นเนี่ยมันเย็นเมฆมันจะลงต่ําได้มันดูดลงไปได้แต่ตรงไหนมันร้อนๆเนี่อย่างยอดเขาอย่างไรไม่ขึ้นไปนะ่ะเมฆไม่ขึ้นเพราะมันร้อนบรรยากาศเป็นอย่างมันจะละลายเร็วขึ้นทีนี้มันจะเป็นก้อนเราค่อยๆ ย, ยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นเกาะอยู่ทํานะใบไม้นะ ที่เป็นร่องเขาตามหุบเหวเงี้ยเหมือนกันธรรมะก็เป็นแบบนั้นแหละเอ้าพอถึงจังหวะหนึ่งมันสว่างมันก็หายไปหมดน่ะไอ้ที่มันเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นเลนเป็นกลุ่มควันมันหายไปยิ่งสว่างมาดวงอาทิตย์ขึ้นก็ยิ่งหายไปแต่ถ้ายังไม่ขึ้นนะมันก็ไม่หายนะมันก็จะยังอยู่อย่างนั้นนะฉนั้นเราก็ประคองให้มันตื่นมันสว่างเรื่อยๆมันจะหลุดไปได้นะ ไอ้ที่มันเป็นเมฆเป็นหมอกเลี้ยนน้อยเนี่ยหายใจเราก็เหมือนกันไอ้ที่มันติดอารมณ์เนี่ยติดอารมณ์อันนั้นติดอารมณ์มันี้เนี่ยเอาหายไปมันหายไปตรงไหนตรงนี้แนละ้วใส่แสงสว่างเข้าไปใส่แสงอัดเข้าไปนะใส่ตัวรู้นี่เข้าไปรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นสักพักก็เอาแวบบตรงนั้นบ้างเกิดปิติตรงนั้นเกิดปิติตัวนี้สว่างตัวนั้นโอภาษตัวนี้เนะี่ยสุดท้ายนะสว่างแจ้งเป็นตัดสรู้ทันทีอะนะตัดสรู้ แสรุปนี่คือแสงออกจากหัวเนะี่ยสว่างฉับพันุลังสีหมายว่าหัวโล่งตลอดจนตายหัวโล่งหัวโล่งหัวโล่งแสงออกสว่างหัวโล่งโล่งตลอดเวเลยเขาก็ อ, อยากให้เราเป็นแบบนั้นแหละนะอยากให้ตัดสรุปตัดสรุปแต่สรุปหมดเรื่องที่จะรูแ้แหละไม่มีแล้วถึงที่สุดของทุกแล พระเจ้าอยู่จบพรมาจารย์และกิจอื่นเพื่อความความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกแล้วถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปไม่ต้องมาลับรู้อะไรแต่ก่อนคอยรับรู้รับรู้แต่นี้ไม่ต้องรับรู้แล้วมันหยุดมันหยุดเกิดแล้วมันหยุดเกิดแล้วเมื่อไม่เมื่อมันหยุดเกิดไม่มีการเกิดก็ไม่มีตายมันไม่มีตายแล้วมันหยุดเกิดฉนั้นจะมาเฝ้าดูอลไรมันหยุดเกิดแล้วแต่ถ้ามันไี่เกิดดูต้องมาเฝ้าดูเพราะอะไรเพราะคอยทํำลาย มาคอยทำลายมาคอยดับมันให้เห็นมันอยาให้มันสร้างตัวตนขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่มันมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ละคอยมาตัดมันสลายมันทำลายมันมันก็จะหลุดไปเรื่อยๆเลยนะวันนี้เนี่ยวันที่วันที่สามแล้วมาปฏิบัติธรรมวันนี้จะให้ญ า, าติโยมเนี่ยทำความเพียรอยู่ที่กุฏิตอนเช้าคงจะตื่นทันอยู่มั้งเนาะ เห็นตื่นถึงลูกเช้ากันดีอยู่นี่นตอนเช้าก็ไม่ต้องออกมาทำวัดนะจนกระทั่งวันวันที่จะกลับลงตาก็ไม่รู้กลับวันไหนนะอาจจะเป็นสามสเอ็ดพฤศจิกาก็ได้สู้ตายเลยอ่ะเพราที่มันหลายคนในนี่มันหลายค น, น, น, ย ม, น, ายคนมารับอาหารเอาเองนะมารับอาหารเอาอ่นะคนละสองกะละมังแล้วก็เข้าไปตอนเช้ากะมังหนึ่งตอนเพลินกะละมังหนึ่งนะ หรือตอนเย็นกำลังอีกก็ะไร <c oughs> คือเอาไันพอดีอ่ะแล้วก็ตั้งใจทานได้กำหนดะรู้ใจทาน่ะอย่าไปเพลิดเพลินนี่นะก็มีหลายอย่างหลายที่นะที่เขาเล่ามานะว่ามันสะดวกสบายเกินไปก็เลยโอ๊ยกิเลสเข้าหมดนั่งแล้วก็ปฏิบัติเลยกั้งวันก็ทำความเพียรตั้งใจนะคนอินงซีอ่อนก็จะแย่หน่อย บางทีก็เก็บอาหารไว้ทานตอนเที่ยงอยีกทานอีก ง, ง่วงอีกตอนเช้าก็เพิ่งง่วงเสร็จตอนเที่ยงถึง่วงอีกแล้วเนี่ยพอตอนเย็นเขานําไปนับไปส่งก็ง่วงอีกแล้วเหมือนิมนะมันจะง่วงเยอะเนี่ยได้เอ็นซีอ่อนนะงั้นก็ให้โอกาสนะให้โอกาสตั้งใจปฏิบัติเลยอืไม่อยากให้องค์จากกุติอนะ่นะอันนี้บทเรียนว่าเอขังไว้ในกุฏิก็จะอยู่ในกุฏิ แตก่อนเราจะชอบเนอะเดินไปหาบรรยากาศน่ากูบรรยากาศทางโน้นก็นดีบรรยากาศอันนี้ก็ดอันนี้ไม่ให้เอาบรรยากาศนะนี้นะให้หมดบรรยากาศหันหน้าเข้าฝาเลยเป็นเวลาี้ขังไว้ในห้องน้ำสร้างจังหวะยันระดีมันจะอึดอัดไงอึดอัดก็จะหาทางต่อสู้สู้ไปสู้มาแก้ไปมันดหลุ ด, ด, ด, ด, ดได้อ่นะแต่ถ้าเรามา่แก้ปัญหาสักทีมันก็จะสบายใจอยู่นั่นแหละสบายใจแต่บางคนไม่ไหวจริงๆนะ ยิ่งขังเขาก็ยิ่งแ ย, ย่นะบางทีคนไหนที่รู้สึกว่าแ ย, ย่ก็ออกมาทําวัดที่นี่นะว่าที่ลงตากรรมเทศทุกวันเนะ่ตอนเช้าตอนเย็ยนเพราะว่าต้องเอื้อเฟื้อกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้านะมาจัดสถานที่ที่นั่งฉันนังอะไรคนจะมาไม่มาก็จัดที่ฉันที่ไรแต่ยันโยมไม่ทําความเพียรได้ไม่ต้องห่วงนะว่าไม่ได้มาทําสะอาดไม่ได้อะไร ขอแต่ทำจริงเถอะขอแต่ทำจริงถ้าคนสองคนในเขาจะให้คนเอา ไ, ไม่ครัวไปปิโตไปส่งให้อยู่ถ้าหลายคนก็เฮย้ยดีฉันยังเอามาคนนั้นไม่เอามานี่กนะ็อย่างหนึ่งก็คือมาตักอาหารเอาก็จะได้เอาในส่วนที่อยากทานนันะ่นแหละส่วนมากแล้วเขาจัดปิโตให้เขาจะเป็นวยส่วนมา ก, กเอาข้าวสามพิโตสามชั้น ปัญหนึ่งตอน ใ, ให้ไหมันจะไม่ไหวว่าง่ายเนาะบางคนก็ยังติดกินนะติดกินติดทานติดตืม่มติดะอะไรก็ได้เรียนรู้แหละลองเรียนรู้อะไรที่มันให้เวลาเราเยอะๆลองดูว่าสู้กับมันลงดูตอนเย็นตอนเย็นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่แผนกนำปณ ะ, ะเราไปส่งไดนะ้โยมเป็นเนี่ยกำลังบำเพ็ญบัลมีอยู่ อ๋อกำลังบำเพ็ญบารมีความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นนะกำลังบำเพ็ญ ค, คนใจกว้างแต่ก่อเนเนี่ยบำเพ็ญทำเพื่อตัวเองตัวตวนมัปัญหาพอไม่ส่งน้วปะนะอะไรนี่เดีย๋ยวอยู่คนเดียวอยู่เลยไปมาอายกินนะเวลาไม่ถีไปส่งเอาไปทุกผ่านเลยคขาดานเลยคาดดิฉันไม่ฉันค่ะไม่กินค่ะไม่กินเพราะเราตัวเองไม่ทำให้ดีกับคนอื่นไว้ เวลาเขาไปส่งเขาเมันอายกินอันนี้ก็กำลังฝึกกาลังฝึกทำเพื่อคนอื่นทําส่งได้นะต่อไปก็จะง่ายขึ้นจ่คงไม่งุนงิดไม่อะไรหรอกระยะนี้พอลูกแก ม, มากกภูมิใจเหลือเกินนะส่งได้ตลอด ล, ละเวลาห้าครั้งก็ยังได้ภูมิใจเตินไปส่งให้คนละแก้วนะคนละแก้วฉัน ทำความเพียนในกลางคืนก็ขยันเนอะสักสามทุ่มค่อยนอนสามทุ่มครึ่งหรือประมาณเนี้ยขยันเถอะก็แต่ทั้งใจแต่รู้สึกว่ามันไม่เก่าวหน้าเนาะมันไม่ดีเนาะออกมาข้างนอกมาเริ่มต้นใหม่มาริ่มสตาร์ทใหม่ข้างนอกเนะี้ยเอ อ, อมนจุดติดทำความเพีย่ยนจุดติดทำความเปลี่ยนคนไหนถ้าว่าจุดติดแล้วทำเลยทำความเพี่ยนต่อไปได้เลย เล่งเขาบางทีบางวันก็ดีนะบางวันก็ไม่ดีก็จะไปยึดมันบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้บางวันก็เป็นสมาธิบางวันก็สติหลุดก็เป็นธรรมดานะฝืนไปฝืนมาฝืนไปฝืนมาได้แล้วโมทนา